namu pasha akwato a r a ัา t o samma s a m p u t h ม namu pasha akwato a r a h a t โตส m m a samputha n เพื่อมมสนสหธรรมิกและท่านอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายขอโอกาสในบรรยายธรรมในลักษณะที่เราเรียกกันว่าป้ า, าทัาธรรมแทนชนิดที่เรียกว่าเทศนา ระหวางตรงหน้าตรงไปตรงมาไม่เสียวเวลามากให้เรามาพูดกัน <c oughs> ไม่ลักษณะกากถาธรียเรื่องที่จะพูดจะคิดจะนึกจะปรึกษาหาหรือปัน้นมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์คุ้มค่าของเวลา <c oughs> ที่จะมีประโยชน์คุ้มค่าของเวลานั่นเอมันไม่มีเรื่องอะไรดีไปกว่าเรื่องที่จะดับทุกข์หรือว่าแก้ปัญหาของเราได้ อนนี้ก็สรุปได้สันส้นๆตามที่พระพุทธองค์ได้กลัสว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราเป็นอยากจะพอเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เท่านั้นถ้าต้องการหรือพูดมากไปกว่านั้น <c oughs> มันก็ต้องปรเด็น เ, เพื่อเจอคือเสียเวลามันโดยไม่จําเป็นบางอนจะสงสัยว่านี่ทําไมไม่พูดเรื่องทำมาหากินหาความสุขกันบ้างทำไมพูดเรื่องทุกข์กับดับทุกข์ไม่พูดเรื่องหาความสุข นี่แหละแต่ความองคํามันอยู่ที่ตรงนั้นมันเล้งในความสุขจนไม่มองเห็นความทุขมันหาแต่ความสุขจนไม่มองเห็นเหตุแห่งความทุขมันก็เลยไม่ดับทุกข์มันไม่ดับทุกข์มันก็ไม่มีความสุขมันหาเป็นตายหาความสุขเป็นตายให้มันก็ไม่พบเลยเพราะว่ามันไม่ได้ดับทุกข์มันไม่ได้มองเห็นเหตุแห่งความทุกข์มันดูกันในดีๆมันเป็นความจริงหรือไม่จริงมันอยากรวยมันหาเงินมันได้เงินอยากรวยรวยอยากอยากรวยฮะความเริ่มรวยจนลืมเหตุแห่งความยากจน มีความยากจนอยู่ที่ไหนให้เมีมุเหตุอย่างไรนู้นก็ยไม่แก้ความยากจนได้แล้วก็มีพบความรวยถ้าจะหาเพบความรวยมันก็จะหาเพาะเหตุแห่งความยากจนเหตุแห่งความยากจนนมันก็ไม่จนม่ันไม้ก็มันก็รวย่เรื่องของความสุขนี่ก็เหมือนกันแหละมันโง่โง่กีมยมันหาความสุขเป็นอะไัเป็นเหตุแห่งความทุกข์คามทุก็มีอยู่เรื่อยไปถาเป็นพางมันก็ไม่พบกับความสุขทามอ้เห็นความจริงข้อนี้ก็คงจะพูดกันไปได้พูดยากันไปได้ เราต้องพิจารณาท้งทีมันไม่มีความมันมีความสำคัญเลยนะ <c oughs> ฉันพูดแต่เรื่องทุกแต่ความดับไม่เหลือแห่งทุกไม่ได้เป็นเรื่องความสุขถ้ามันดับทุกหมดดับทุกหมนีม้เหลือมันก็เหลือแต่ความสุขเบอร์เนโลมัด <c oughs> ฉันรงรู้จักเหตุแห่งความทุกแลก้ดับทุกการเห็นได้ศึกษ <c oughs> าธรรมะโดยแท้จริงก็กเพืดอจะ <c oughs> ทำลายเหตุแห่งความทุกเมื่อความทุกไม่มีเหลือแล้วอะไรกันเลยมันเหลือความไม่ทุกก็คือความสุข นั่นนั่นเรามาพิจารณากันใหญ่มากให้ถึงสี่สุดในเรื่องเหตุแห่งความทุกข์ก็จากที่เราพูดกันแล้วในตอนเย็นตอนเย็นเหตุแห่งความทุกข์ที่เราได้เรียนรายลเอียดในฟังกันมาก็ว่าตัญหา <c oughs> ตัญห า, ารวบรวมแต่ชื่อมองเห็นว่าปัญหาเป็นเหตุใดเกิดทุกข <c oughs> <c oughs> ์อย่างไรมีท่องจำไว้ตามพ่าบอกมันก็ม่เห็นเหตุแห่งทุกข์เป็นัญหาปัญหาเกิดทุกข์อย่างไร ตอนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมองกันหเห็นชัดหนึ่งปัญหามันเป็นเหตุให้เกิดปุปาทานนิดมัน่นถึงมันว่าต้นหรือของตนปัญหาคือความรู้สึกอยากที่ต้องการเป็ความงุ่กถึา่าทีอยากหรือต้องการด้วยสติปัญญาอันถูกต้องก็ไม่ใช่ปัญหาท่านอย่าพูดง่ายๆชุ่ยไม่ได้ไ พ, ดงงไพูดกันตามสาราวัตรที่มักจะพูดเสมอถ้าอยากจะเป็นปัญหาเลยถ้มีความยากเป็นปัญหาอยากเป็นอความโลภนั่นเป็นกิเลสนั่นเอง มันมันหลับาพูดไม่รู้เรื่องที่มันพูดเริ่องตางๆทีกูตามๆมาไปอย่างเนกูอย่างันเนดืนั้งก็พูดอย่างนมต้องแยกกันที่ขั้นรรญาติความโง่ต้การมีความโง่มันจะเกิดตัวู้ผู้ยากหรือกู้ผู้ยากอยากความโง่ก็แล้วมนมีเกิดคม้วามีตัวกู้เป็นผู้ยากนี่เรียกว่าตัณหาให้เกิดอุปาทานตัณหาจะยาอุปาทานนั่งมีตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานตัวเกิดขึ้นมาอุปาทานตัวคู้เกิดขึ้นแล้วมนเห็นแก่ตัวกู้มันมุ่งแต่ตัว เ้าทำไมรู้จักสิ่งนี้แล้วมันไม่มีทางที่จะรู้จักมูลเหตุแห่งความ <c oughs> สรุปความสำคัญอยู่ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่อะไรหมดเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความถูกต้องไม่เห็นแก่ม่ไม่เห็นแก่หน้าใครไม่เห็นแก่ผู้ใดเห็นแต่ตัวกูเห็นแต่แก่ตัวกูมันก็เกิดความอยากต่อไปแต่กระทำตามความต้องการของตัวกูหรู้ว่ามันได้มาตามความต้องการของตัวกูมันก็เกิดทีเลตประเภทหนึ่งมันยังไม่ได้ก็เกิดทีเลตประเภทหนึ่งได้แล้วก็เกิดทีเลตประเภทหนึ่งเก็บได้เกิดทีเลตประเภทหนึ่งด้วยดี ถ้ามันมาจากการเห็นแก่ตัวแล้วมันจะมีกิเลสหลายหลายหลายายชนิดหลายรูปแบบเปิดเป็นมาอย่างครบถ้วนเกิดความโลภหรือตัณหาเหมือนมันมันมัันอยากแค่ไหนมันมันไม่ได้ตามที่มันอยากก็เกิดความโกรธเกิดโทสะถ้ามันยังไม่ได้มันยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะได้ทำอย่างไรจะได้มันยังมีโมหะอยู่นะเขาเห็นแก่ตัวนี่มันมันเป็นที่เกิดความเกิดกิเลสเกิดสิงที่เรียกว่ากิเลสรอบรอบได้เลยทุกอย่างทุกอย่างนี่คือเห็นแก่ตัวกูมันจะเป็นชนิดบวก ม่ยินดีพอใจเะร่าร้าหรืออันเป็นร่องอบัโกรมันก็รัดใจมนไปลอท่ไมรู้่าจะทาอย่างไรถึงจะได้มันก็เป็นโมหะมุดมุมุดมดมมมันมันมีทั้งโลภะโทสะโมหะอย่างนี้แล้วมันทางความสุขัะไหนแลียวก็มันเต็มไปด้วยเศแห่งความทุกข์มันไม่รู้จากเศษแห่งความทุกข์มันบ้าจะหาความสุขโดยไม่รู้จักเศแห่งความทุกข์มันก็ไม่ได้ตัดเรแห่งความทุกข์นี่ขอเราดูตัวเอง แล้ดูการกระทําของตัวเองว่ามันถูกต้องหรือยังมันถูกต้องการการดับทุกข์หรือยังถ้ามันถูกต้องดับทุกข์เห็นได้เห็นเห็นได้ว่ามันดับทุกข์ให้เห็นได้ว่ามันถูกต้องถ้ามันไม่ดับทุกข์ใหเห็นได้มันก็ไม่มีความถูกต้องมันไม่ใช่ความถูกต้องถูกต้องไม่ถูกต้องนี่ไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อใครกูอีกเชื่อสิ่งที่ไรก็อยู่นั่นถามันดับทุกข์ได้มัคือถูกต้องดับทุกข์ไม่ได้มันคือไม่ถูกต้องไม่ต้องถามใครเลยไม่ต้องอะไรท่านบอกอีกทีว่าถูกต เนื่องจากมันมีความอยากความต้องการสิงได้ถึงหนึ่งอย่างได้อย่างหนึ่หลายสิ่งก็ได้แต่ันด้วยความโลภอยากหรืต้องการด้วยความโลภเรียกว่าทัญหาก็ได้เรียกว่าโลภก็ได้ถ้าอยากหรือต้องการด้วยสติปัญญาโดยสติปัญญาเป็นเหตุให้ต้องการก็ได้โดยสติสติปัญญาความต้องการอนี้ไม่เรียกว่าทัญหาไม่เรียกว่าความโลภแต่เรียกอีกคํานึงเรียกว่าสังกัปปะสังกัปโสังกัปโสังกัปะมีคำอีกคำหนี่งคำที่ทำต่างๆก็จะทำก็ได้ยินคำนีบ่อย อุหนะเพราะพระที่มาสวดมาชันิบ้านหาถาที่วัดนะรับที่ไม่บอกใหทนี่สัานกัปาดันโทนรโสยถาทพีดีโยวิวัตชนสกโรโควินัสสุมาเตปวัตบรราโยกุติโกทวาเนี่ยท่านปาท่งนับปายถาเี่ยปาริหาปุราปริบุเรนติสาจไรันเวเมวเตตินันตานันตุกัปปิแล้วก็ปูาริุนิสัจกับปาท่กปาดันโทเปนราโสยถา่านกป้าประนันเรยว่ายากสุขสงต้องการด้วยสติปัญญา มันเป็นความอยากเป็นความต้องการชื่อเรียกเหมือนกันแต่ว่ามูลเหตุตมันต่างกันต้องการด้วยความโมกหทาไปตามความโงโหทำไปตามกิเลสตัณหาถ้าต้องการด้วยสติปัญญ า, <c oughs> าให้มไปทำไปด้วยสติปัญญาต่างกันเท่าไรองดูอัน<ม>หนึ่งทำด้วยความโมโอั <c oughs> นนึงทำด้วยสติปัญญา <c oughs> อยาเอากันเลยตัณหาโลภะพิชา <c oughs> อยาเอากันเลย <c oughs> ทำให้มันกลายเป็นสังกัปปะหรือสังกับปะหสกับโปก็แล้วแต่จะเรียกคาเดียวนี้ให้มันมีมูลเหตุที่ถูกต้องให้มันมีมูลเหตุที่ถูกต้อง จะเป็นความอยากจะมีมูลเหตุที่ถูกต้องแล้วมันผิดไว้ไม่ได้ครับถ้ามูลเหตุเป็นถูกต้องมันผิดไปไม่ไ ด, มม ด, ไไมได้มันก็จะต้องไปตามทางตามลู่ทางของความถูกต้องไปถึงจุดน้อยปลายทางแล้วก็ประสบสิ่งที่จะคป็ได้รับเนี่ยเรียกวนะ่ามันเห็นแก่ตัวนะไมนเห็นแต่ความถูกต้องมันทําไปโดยความหมายถูกต้องเห็นแต่ความถูกต้องไม่ใช่เห็นแก่ตัวอ้าเห็นแก่ตัวก็คือโลภะโสดะโมะจะไม่เห็นแก่ตัว ไม่เกิดไม่เกิดโลภาโลสะโลหะนี่ไม่เกิ ด, ม, ก ม, กดมันไปเกิดความรูก้การเข้าใจที่สุกต้องยิงยิงขึ้นไปก็ก้าวหน้าไปก้าวหน้าไ ป, านาไปในที่สุดก็พบกับไปสิ่งที่อควรจะต้องการคนจะได้คนรปรารถนาแล้วไม่ต้องเสียเวลาพูดถึงมากมายหลายสิ๊ดชื่อห ล, หลายชื่อเอาชื่อเดียวพอที่สําคัญที่สุดก็คือความเห็นแก่ตัวความอยากที่โมกเขาเห็นแก่ตัวเกิดอกาทานมีตัวไปเห็นแก่ตัวน่นะจุดนั่นจุดเดียวพอ อยามองข้ามมาแต่หาความสุขหาความสุขโอ้ขาวหาความสุขกันไม่รู้อะไรแห่งความทุกข์มันอยู่ที่ตรงไหน <c oughs> มันเป็นข้อข้อนี้เวลาที่รวม <c oughs> มารวมมาเป็สิบสิบที่เรื่งดีก็ไม่พบกันกับแห่งความดับทุกข์ <c oughs> ที่นี้ก็จะมาพูดกันเรื่องความมีตัวและความเห็นแก่ตัวให้เป็นที่เข้าใจชัดเจนแันยันซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดกวานั้นไปได้เลคือรู้จักความเห็นแก่ตัวรู้จักกําจัดความเห็นแก่ตัวเราทำให้หมดความเห็นแก่ตัวนี่เท่านี้ เป็นเรื่สำคัญที่สุดในศาสตร์โษณาฮะาวพูดได้ทุกศาสนาเลยมาสอนเรื่องนี้แต่มันใช่คำพูดต่างกันในศาสนษณาบางแห่งเกิดในที่อื่นในยุคอื่นสมัยอื่นมีสิ่งว่าเล่าอย่างอื่นว่าใช้คำพูดต่างกันแต่ว่าใจความสาคัญอยู่ที่ความเห็นแต่ตัวนั่นแหละศาสนาอยู่หลายพันปีมาแล้วมันกสอนาอย่างถูกต้องเรื่องทลาคามเห็นแต่ตัวแต่ล้สาวกไมปฏิบัติมีสาวกไม่ปฏิบัติมันก็เป็นมันศาสนาที่ไปถ่ายภาพมาจากโฆษณาอยู่เนี่ยมจะกาจัดความเห็นแต่ตัวนี้สาวกไม่ปฏิบัติมันเป็นมัน ถ้านั้นพูดเราวเหมืนกันพระพุทธเจ้าก็ากกาทำลายความมีตัวความเห็นแก่ตัวถามว่าไม่ปฏิบัตินี้กลับเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นไป <c oughs> เรื่องนี้ผู้หญ้าพูดแล้วมันเป็นเรื่องมีคผลร้ายก็ได้แต่ลองพูดกันรู้บางก็ดีเหมือนกันค <c oughs> อยกันดี <c oughs> <c oughs> เรากําลังทําบุญทําทานทําบุญทําทา น, ททานด้วยความเห็นแก่ตัวเพิ่มความเห็นแก่ตัวไม่ได้ทําบุญทำทานเพื่อจะลดความเห็นแก่ตัวเพราปกับใจได้ ทำบุญบาตรเวิมานหลังหนึ่งกาษณากันทำบาตราวิมานหลังนี่มันก็นเกินควาเ็นแก่ตัวทีอว่าทำบุญไปนอนในสวนในวิมานเป็นเทวรามีนางฟ้าเป็นรยร้ยบริวารนี่มันเป็นไหนมันเป็นเห็นแก่ตัวเกินขอบเขตเกินประมาณเรามันทำบุญเพิ่มความเป็นแก่ตัวไม่ได้ทำบุญเพื่อลดความเห็นแก่ตัวมันรักษาศีลเอาหน้ามันรักษาศีลอวดคนยังมัรักษาสีนเพิ่มความเป็นแก่ตัวนี่ให้ทานปทานเอาหน้าอวดคนเพิ่มความเป็นแก่ตัวกันกรทำสมาธิก็ทำอวดคนทำคนทลงเลยวาโอยน่มันเป็นทำสมาธิ เอเออาปัจจัยเราถวายมากมากเลยมาท่ามาที่หลังนี่ท่านจะมาที่เพิ่มความเห็นแก่ตัวมิปัตนาธรรมิปัตนาเพืเห็นปฏิตายไปแล้วล้วมาบอกญาติทั้งมันหนึ่งแล้วพระจได้ให้ไรมากมาเมิปัตนาอย่างนี้ิปัตนาเหนแก่ตัวนจะจาจักรอยาให้ทานเพื่อเห็นแก่ตัวแล้วราคาสินเพื่อความเห็นแก่ตัวอย่าสมาธิเพิ่มความเห็นแก่ตัวอย่าทำวิปัตนาเพิ่มความเห็นแก่ตัวต้องทมันลดให้ทาน่านี้ัลความเฉลิมลดความหวงแห็รลความเห็นแก่ตัวเห็นมีวาสีนี่มันเป็นทีทำความเห็นแก่ตัว สลับไปเลยอัารัาสินกันแล้วลำบากแล้วลำบากแล้วลำบากไม่ตามใจตัวไม่ตามใจตัวรักาส้นอย่างนี้มันก็ลดความเห็นแก่ตัวทาสมาธิจิตสงบตังมั่นเช่ความเห็นแก่ตัวก็เกิดไม่ได้ถ้ามีปัชนาเห็นว่าอตัวคุณอะรความรู้สึกตัวคุณแต่ตอนนไม่ใช่ของเยิงเป็นของนานยาเป็นของหลอกลวงเกิดจากความโง่ืองีพูดไปก็คงไม่มีใครฟังไม่มีการชความปัจจัยพูดไปจะเหนื่อยเปล่าจเป็นความจริงการจริงที่สุด ว่าตัวตนตัวตนที่รู้สึกว่าตัวตนตัวตนรู้สึกปูนันเป็นมายาไม่ใช่ของจริงมันเกิดมาจากความโงภความไม่รู้จินปาตาเห็นรูปตาระบบประสาทตาเห็นรูปความโงภมันเกิดขึ้นมาว่าปูเห็นรูปปูเห็นรูปเห็นรูปอย่างนั้นอย่างนีู้เห็นจริงก็บภาษาทางตาหนังปู่เห็นว่าปู่เห็นต้องการอะไรกับตัวปู่ขยายการกระทํเต่าไปเพื่อใดมาซึ่งอะไรที่ตัวปู่นต้องการปูได้ยินเสียงตปู่ได้ยินเสียงกได้ยินปู่ได้ยินล่้เล่นมันได้รสตวปูได้รสผิวนั้นรับการสัม นี่กูมนเกิดนมาอย่างงทีละอีเอไปกว่านั้นก็่้เกิดความเจ็บก่อนแ้มันจะเกิดความรู้สึกูเจ็บู้อยอยู่หน้ารอ่ามันจะเจ็บู้จะเจ็บเปล่าเพามันถ้ากิดคู่มความจริงมันเพิ่งเกิดมันมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาแ่อย่างนึงก่อนฉันมีบาดเจ็บเกิดความเจ็บรู้สึกน่นอยู่ในใจเต็มที่มันจึงเกิดความรู้สึกแบบกูเจ็บตอนนั้นมันก็ไม่มีไม่ไ้มี่เกิดไมีเนี่ยตัวกูตัวกูมันเป็นเพียงมายามี่เปเของีอยู่จริงเพิ่ง คมตัามันมีความรู้สึกไม่ถูกใจก่อน็ัวกู้คู่ไม่ถูกใจจึงจึงเกิดขึ้นมาใะความรักกมันมันมีการถูกใจถูกอารมณ์ก่อนแล้วมันจึงเกิดู้คู่รักกูถูกใจขึ้นมานันความรู้สึกทุยางทุกยางมันมีอยู่สาหรับจิตใจรู้สึกทุกอย่างมันเกิดมันเป็นเหตุที่เกิดความรู้สึกของตัวกูหรือตัวจำได้ทุกอย่างทุกประการนี่ตัวคู้คูนี่เกิดง่ายเกิดที่ไหนก็ได้ไม่ไรก็ได้เท่าไรก็ได้มันเกิดทีหลังการกระทามันง่าเชื่อเพราะมันไม่ใช่ตัวจริงมันเกิแท การทัาคเอก่อนแวความรู้สึกกูกระทํานี่เกิดตามมาทีหลังมันต้องมีเงินก่อนใช่ไหมมันต้องมีเงินก่อนใช่มมันจึงจะเกิดความรู้สึกว่ากู้มีเงินความรู้สึกกูมีเงินเกิดไม่ได้ทเพิ่ตเงินเกิดเม่ได้ก็มีเงินมีเงินได้เงินมีเงินแล้วถึงจะเกิดความรู้สึกว่ากู้มีเงินจะได้ลูกอะไรนี้ได้ว่ากระท่มันต้องได้ก่อนเล้วมจึงเกิดความรู้สึกว่ากูได้กูได้เห็นไมอย่างนี้กูมีอย่างนั้นอย่างนี้อมันเงินหาเงินมันต้องหายก่อนมันจึงจะเกิดความรู้สึกว่าเงิน กูมันม่ความจริงมันเป็นมายาเกิดขึ้นจากความรู้สึกอยากได้อย่างหนึ่งที่เกิดอยู่แล้วนั่นคัวกูจึงเป็นสิ่งที่หลอกลวงแล้ไปเห็นากความหลกลวงเวามหลอกวงเป็นหลักนี้มันจะได้ไงมันเป็นโมโมหนกอีกหัไปไม่ลับปุ๊บแล้วตอนนี้ตาเห็นรูปก็ไม่เกิดกูเห็นรูปตาเห็นรูปสติปัญญาของจิตใจมันก็รู้สึกได้ว่าควรทาอย่างไรควรทาอย่างไรรูปที่เห็นนี่มันเป็นอะไรควรจะทาอย่างไรเราทำไปไม่ต้องรักไม่ต้องกลัไม่ต้องเกลียดไม่ต้องโกรธไม่ต้องอะไรกันนั้นคุณทำา เรื่องร้ายมันก็มีเกิดมันเกิดแต่เรื่องที่มันควรจะเกิดคือไปฝันดีที่เราพร้อมที่จะเกิดความรู้มีตัวกูในทุกเรื่องราวทุกอย่างทุกประการที่ว่าอะไรอมันจะเกิดขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นตาใจเเรียกว่าอารมณ์อารมณ์มันเกิดขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นตาใจเอาเป็นกูหมดเกี่ยวกับกูหมดผูกพันกับตัวกูหมดมายุ่งกันใหญ่ที่พาว่าไม่เป็นเรื่องของอะธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นอยจะเกิดตัวกู มันก็ม่เกิดความรู้สึกที่เป็นบวกที่เป็นลบไม่อาจจะเกิดโลภะที่เป็นบวกไม่อาจจะเกิดโทสะที่เป็นลบไม่อาจจะเกิดโมหะที่เป็นความมืดหรือบวกหรือลบอามาพูดถ้าท่านไม่คำจ่าท่านจังไร่ายก็เร่อรามั <c oughs> นเลยเป่าพูดกันสักคืนมันเลกเปล่านี่คือเรื่องหัวใจของธรรมะหัวใจของ <c oughs> ศ า, ศาสนาหรือว่ามันมีผลได้เกิดขึ้นมาเพราะมันเกิดความรู้สึกเป็นตัวคู่แล้วก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวฮะนี่คอเห็นแก่ตัวมันจึงมีเรื่องเป็นได้หรือเป็นเสีหรือเป็นบวกหรือเป็นลบ มันเป็นรักหรือเป็นเกลียดหรือเป็นโกรธตรงกันข้ามแหละเมื่อไม่กีอย่างหนึ่งมันมีสงบมันอยู่ตรงก้างที่เป็นความสงบนั่นรัก็็ทำไมเขาะชอบเมื่อความสงบมาถึงนี้มันชอบให้มีอะไรกระตุ้นให้มีอะไรกระตุ้นเรามีชอบสงบพรามันไม่ชอบสงบมันชอบให้อะไรกระตุ้นมันจึงกประจานอารมณ์มากระตุ้นยังเลวที่สุดมันก็ไปหาเหล้ามันกินเพราะมันเล้ามันกระตุ้นเกิดความเพลินอยู่ไม่ชอบความสงบ มันชอบความตื่นเต้นปัญหาเรามากินทัสิ่งเสติดมาเสพนี่เพ่อกัดตุ้นให้มันเกิดความตื่นเต้นเพรเรามันชอบความตื่นเต้นให้มีอะไรมากระตุ้นอยากให้มันสงบสน่ห์ความวุ่นวายหรือมวยเฮเกิดความทุกข์มันก็เกิดมนเตหมดจริงมัมีทิวเาิจิตรู้ในการที่พอใจในการกระตุ้นในการที่มีอะไรมากระตุ้นเี๋มาขับกล่อมมีขัตามเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งมันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้มันเป็นความรู้สึกของคนเราที่จะยบังคับมันเป็นสัญชาตญาณอันลึกซึ้งสันเล่นอยู่พอออกจากข้างแม่ว เราพดีกันนะเขลูกกับมันแรกก็มีการขับกลองทุกอย่างทุกประการนะให้มันได้เห็นสิ่งสวยๆให้มันได้ฟังสิ่งเสียงที่ไพเราะให้มันได้กินเน้ให้มันได้อันนี้อร่อยนี่แบบสิ่งขับกลองสิ่งกระตุ้นเราคิดดูทีว่าเอาพวงอะไร่วยๆไปโน้ิเพลให้ให้ลูกเด็ก่นอเพลงมันเห็นว่าใรมันครทมาทาทอดมาในความรู้สึกวอย่างนี้ดีจริงๆมันกระตุ้นกระตุ้นเด็กๆในทางตาแล้วก็ล้องเลงเอยเอวยใไพเราะในหูเด็กนีคือความกระตุ้นทางหู ทางเกียวหมู่ทงลิ้นทางเดีวนงาง้ก็ทไปตามแต่ละอย่างี่ติบ้นมาในความกระตุ้นกริเป็นนิสัยให้มันให้ได้รับการกระตุ้นต้องการจะได้รับการกบกอดหรือมีม้ตการตอเบาๆกันทาง่อให้หลับนี้นี่มันเป็นสัญชาติยาที่ลึกซึ้งมันซ่อนอยู่ในส่วนลึกซึ่งของสัญชาตานพอี้ขึ้นมาได้รับการกระตุ้นแล้วกระตุ้นมากขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเป็นเด็กตเป็นวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวม่าใจในสิ่งกระตุ้นทางตาทางหูทางจกมู่ทางลิ้นทางกายเป็น เรื่องทางเพศแคนี้เพื่อนชายก็ได้่เป็นเรื่องทางเพศนมันกระตุ้นอย่างยิ่งนะจากเพศตรงกันข้ามก็บ้าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะทางล้มละในการกระตุ้นความเห็นแก่ตัวมันตั้งอาสายอยู่บนความรู้สึกสัญชาติปัญญาข้อนี้สัญชาติปัญญาแห่งการที่ให้มีอะไรกระตุ้นแล้วก็เลิศเี่ยมันจะมีอะไรมันกระตุ้นในเลิศมันถูกใจถูกใจจรเลยถูกใจความเห็นแก่ตัวแล้วก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวต้งยิ่งต้องเอาไปใหญ่กว้านมากกว่าจริงต่างๆมากกว่าจะซื้อฮาร์ดแทนถูกอะไรไม่ว่ามีไเราง เพื่อนาสนับสนุนบุบุญเรื่ยความรู้สึกที่กำังกระตุ้นหรือว่าเห็นแก่ตัวจริงไม่จริงทำไ ม, มจะต้องหาเงินมากๆแล้ว็ซื้อหาสิ่งกระตุ้นทันั้นแหละไม่มีอะไรจริงจริเนะสิ่งกระตุ้นความรู้สึกจะน้องความอยากความเห็นแก่ตัวของมกิเลสมีงกล่างหมดช่หมดสิ่งล่างหมดใ่หล่างหมดใชหมดเพว่าสิ่งกิจจะน้องความเห็นแก่ตัวมันมีมากมายมหาศาลซื้อไม่ไหวโลกยังนี้ในทางธรรมะเรียกว่าเป็นธาตุเป็นธาตุของตัญหาธาตุที่ธาเป็นธาตุเป็นที่ธาของปัญหา ในตาน้ำใจห้วยอะไรเนี่พูดทางสุภาพอีกหน่อยก็ว่าเป็นธาตุ้องอายตนะเป็นธาตุของเป็นธาตุของูเป็นธาตุองจเป็นธาตุตงนี้เป็นธาตุของิวนั้นเป็นาตของจิตใจเป็นธาตุของอายตนะอย่างนี้ันเพาะมันเป็นธาตุอายตนะแล้วมันก็เลยเป็นธาตุงกาเพรานให้เกิดเวทนากิาเพราะเกิดกัญชาแล้วไเจออุปาทานก็มาเป็นกิตัวมีตัวเห็นกรดัก็มาเป็นธาตุกัญหาหรือเป็นธาตุอายตนะทมัุ่งมุ่งยังเป็นธาตุหรว้ธาตุหุเป็นคนีไม่ใช่ของก เกิดทีหลังเกิดตามอารมณ์เกิดตามหลอกเกิดตามหลอกลงของอารมณ์ใครไม่เป็นอย่างนี้บ้างพูดจริงจริงบางทีเราใช้ชีวิตไม่เป็นอย่างนี้บ้างหรือว่าใครชนะสิ่งเหล่านี้ได้ไม่เป็นทาสไม่เป็นทาสตัณหาไม่เป็นทาสตัณหานะนั่นแหละคือเป็นบุตูชนเต็มขั่นเลี้ยป้านคอยทอกูเป็นบุตูชนเต็มขันเป็นทาตอณอาเป็นตัณหาเป็นทาสตัณหาแล้มันลดลงลลงลมันจึงจะลดกลามเป็นบุตูชนเต็มคั่น มันมีความเป็นพระอริยเจ้าเพิ่มขึ้นบ้างจะได้เป็นพระโซดาบันสกิทาคารามีนาข้ามีกร้างก็จะเป็นพรอรหันต์เลือกลาความเป็นบุตรชนคนโง่คนหนาเป็นคนฉลาดเป็นคนลืมผู้ลืมจ้าบาววานฤติเลศตัณหาข้ามาอยู่ในฝ่ายของพระอริยเจ้าเดี๋ยวนี้คุณอยากจะบรรลุธรรมะไม่อยากจะดีเด่นจะดังไม่ใช่ตัวห่ันทุกข์อยากจะเป็นพระโซดาวันสิาคารามาก็คจะยกหูจูหางไม่ใช่ควระดับทุกข์จิงไม่จิงก็ดูนะแต่ใครมานใจเยอะๆเลเป็นอย่างนั้นางนี้วอาจารย์ตั้งให้หลวงปู่เป็น พูดอย่างนี้มันเลยขอเกลีดแล้วถ้ายนงถ้าเลยกอเกลียก็ไม่ทพูดแต่ถ้ามันยังเป็นกองกินอยู่ก็ยังทำขุดต่อไปเนี่ยมันเนื่นไป็อยู่กับความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวตักูมอองกินเป็นมาลายเรากรวงแต่เไอ้ความโม้มันก็บูชาบูชาคือตัวกูมบูชาตัวกูก็กูบูชาความตัวกูความโม้มันบูชาความโม้ความโม้เป็นบูชาความโม้มันละลื่อนกับไกั้มันจะมีกี่เลยนับไป่ไหวมันมีความทุกข์นัไป่ไหวมันกจความเห็นแก่ตัว ถ้าคุณไม่เคยฟังอย่างนี้มาก่อนคุณก็ไม่เคยนึกไม่เคยคิดอย่างนี้เดี๋ยรู้สึกไปทํางไม่มีไม่มีเรื่องอย่างนี้ไม่มีเรื่องอย่างนี้มีแต่เรื่องกู้ฮะอะไรตามกู้ตามการได้มาแล้วขอได้ได้มาแล้วขอได้มาได้มีเรื่องอย่างนี้ไม่เห็นมันเป็นความทุกข์ไม่เห็นมันเป็นปัญหาที่เป็นทรมานกมาับตนอะไแต่ละุกูสามารวัดกูสามาศึกษามากูสามารถศึกษาทำในกระตันะในวัดคืออย่างนี้ก็หมอนไล่คุณออกอากาศไนไไห่ับอย่ามาว่าเลยเขามาวัดเพื่อเรามาศึกษาอะไรท ที่มันให้ส่งเสริความมีตัวกู้ที่ตัวกู้ของความโง่ที่กินมีตัวกู้ของความโง่แล้วมันก็มีการกระทํากระทาไปตามความอยากตามตวางการของความโง่นี้เรียกว่าตัวกูมันเปล่นแต่ตัวแล้วก็มันบังคับสภาพชีวิตนี้ให้ทำไปตามความโง่มันเป็นไปด้วยความทุกข์นี่ยังหัวที่ว่ามันก็ไปทําไปทําไปทํำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำแล้วมันก็ทําเกินกว่าที่มันควรจะทํามันต้องการจะมีกินมีใช้มากเกินกว่าที่ควรจะมีควรจะกินควรจะใช้ แล้วอจะเกลี้ยกล่เสียดดถึงมาบ้านมันเอากันใหญ่เอากันใหญ่มานบ้าใหญ่แลวี่ถ้ามันมีอะไรที่มันเกิดเกรี้ยกเสียเสาหรือกันถึงมาล่ามันก็อย่างนี้นั่นแอย่างนี้นั่นแหละเมื่านไม่ดับทุกถ้าชยยกทดการจะดับทุกได้อย่างไรเพรามันทานตามหลังสมพานเว้ยีอย่างนี้บ้านทีองเห็นกดยตัวมันยังเป็นเจ้ายังเป็นนายยังเป็นอยู่เนื้ออย่ลมันต่อมาอย่างนี้ฉันนั้นพนกก็ไม่รู้ดับตกอดดีอดเดินแข็งขันอย่างชิงปันดีดีเดินขวา แทนที่จะเอาแต่พอกินพอใชาสบายดีไม่ต้องหามากน้ก็ไม่คมดชอบต้องหามันมากกว่าร้มันดีมันเด่นมันดีกว่าค่อยเนี่ยสวนที่มันเกิน่วที่มันเกิจเป็นก็มีกอยู่ทุกไอที่บ้านก็ดีที่วัดก็ดีเมือนสวรรค์เหมือนทันเลมันบ้าเกิเกินน่แหละเมื่อตอนเย็นไปพูดมากแล้วถึงเรื่องว่าความเห็นแก่ตัวมันกาลังครองโลกครองโลกน่าหัวไหมถาเ็นแก่ตัวของมนุษย์แต่ละคนขันแต่ละคนมันกรองโลกได้แล้วความพระองด้วย มันใสหัวลักขออยเขของมาไปทำความเห็นแก่ตัวโดยกิเลสโดยโมหันไปทำสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วอย่างน้อยก็มันทำให้หาคนไปหลงคนไปมีคนไปแล้วก็ขี่เหน้ยวแล้วก็ไม่เอื้อเพื้อเผื่อแผ่ไม่เจีิญจิตไม่อะทั้งหมดคนยากจนก็เห็นแก่ตัวคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวมหาเศรษฐีก็เห็นแก่ตัวคนขอทานก็เห็นแก่ตัวยิ่งนี้ย่งถ้าว่ามันจะคนระรูปแบบเห็นแก่ตัวนั้นมหาเศรษฐีก็เห็นแก่ตัวตามแบบมหาเศรษฐีคนขอทานก็เห็นแก่ตัวตามแบบคนขอทาน มีแต่หมาที่มันไม่เคยเห็นแก่ตัวจมคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นหมานี่เขากินอินปะเาแล้วมันไม่ได้เอทยานที่จะกู้ชยหางามันมีหางนะถ้ามันม่ีหางนมันไม่เยอทยานที่จะกู้ช่หางแต่มนไม่รู้วยังไงหูไม่เคยมีหางก็ไม่นยกหูช่างเรื่องหมาเป็นอาการในบ้านแบบนี้ยังทะเยทยานน้อยกว่าเห็นแกิตัวน้อยกว่ามปัญหาทีงไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีความยากลำบาไอ้หมาบ้าไม่ใช่อย่างเดียวคนบ้าคนบ้ามันาบเอาวิชา ในมาบ้าบาเ่อโลกันยังไม่ใช่ไม่เจ้าวมาบ้านคบ้าี่เป็ือง่มาคบายังคนไม่ได้แต่คนบ้าอย่างนมานด้จะมันรับเชื่อเชื่อบ้ากันเราอย่ามีอวิชชาคือความโง่มันก็จะไม่เกิดรูไม่เกิดรูอตาเห็นรูปตาเห็นรูปไม่ใช่กูเห็นรูปเมื่อคูได้ยินเสียงเู่ได้ยินเสียงไม่ใช่คูได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นต้นืคูมันไม่เกิดเอคูมันไม่เกิดเหมือนมือเราไม่รับความรู้สึกเป็นอารมณ์รุนแรงขึ้นมาความเจ็บความปวดหรือความรักความโกรธความ้ส ไม่เกิดความโงหลงขึ้นมากูเจ็บกูอย่างนั้นกูอย่างีกูรักกูสูญเสียความรักกูอะไรารพัดสรปัญหามันก็ไม่มีทํามไม่มีตัวกูเร่องสุดสไปถึงเป็นว่าถ้ามันมีตัวกูนีก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตายเป็นอรมะธรรมเป็นธรรมะธรรมของพระอริยเจ้าที่เขาพูดว่าพระอริยเจ้ามีะธรรมไม่เกิดไม่ตายต่อไปอรหันต์เพราะท่านไม่มีตัวกูท่านมตกูทันมความรู้สึกตัวกูโยการของะไรมันจะเกิดอะไมันจะตายน่ลองนีตัวกูเามาเป็นตัวกูเป็นของกูหมดเอาอะไรมันเกิดเอามาเป็นของกูอะไรมัน ม่ต้อมีหมดแหะมีทั้งหนึ่งไงบวกมีทั้งนงลบรานไม่มีรานมีสมบติแตะตาแงแเดียวนี่คุณฟังถูกไหมไม่ไ ม, มันจะต้องมีความเกิดแก่ความเจ็ความตายสมบัติจะต้องมีก้าไม่มีตัวคุณีเถื่อนสตงค์อันนี้เป็นของคุณลิดใจของท่านจะสะบายสติมายมีไเทีเเ่ไปดูกบุกคนจอะไรอะไรก็ของ ค, คุอะไรองอะไรตัควคของคมากมายมหาาเียวดดีกับเรื่องนี้เลยทุกคนเลยเฮียอวดดีกับเรื่องนี้เลยเพราะมันยังมีตัวคุูมันยังมีของคุณมาว ตูนั่นไม่รด้ยืดหูจูหางไม่กับคนยืดหูจูหางต่างชาไม่ต้องมีหูมีหากิเลสอาวิชาาความโมโหยุดกินซะบ้างไอ้ความอ้วนเรื่องอ้วนนี่ยหยุดนซะบ้างแการอ้วย่ก็เืออวิชาอวิชามันไม่ใช่ความกิงมันก็สร้างปัญหาถ้าไม่มีวิชามันมีความผิดพลาดอะไรไม่ด้ันว่าไม่มีวิชาก็ไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปเพราะมันไม่รู้นมันไม่มีวิชาหรือถ้ามันไม่มีวิชามันมีแต่วิชามนตาเห็นรูปมันก็ตาเห็นรูปไม่ได้หูเห มันก็มีเกิดตัวกูทานอารแลต่าาหเยงเเกิดและารมามไม่มีเกิดตัวกูที่ตรไหนถ้าไม่ได้อวิชาเพระชาเป็นแม่อกเป็นจุดตต้นที่เาเกิดตัวกูก็เกิดเรียนนนเี๋ยเล้ยหูชู้าเี้เิอวิชาอวิชาไดินอาวิชาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปาทานไมเกิดที่นี่เรื่องธรรมชาติของคนแต่ละคนที่นี่พุดเรื่องส่วนรวมที่รวมทั้งโลกทุกคนมันมีความเห็นแก่ตัว แล้วเอาคาเห็นแก่ตัวของคนตุกคนมรวมเป็นข้าวักจีมากน้อยมันจะสักอะไรความเห็นแก่ตัวมันจะลตักัอะไรเนี้นี่มันอม้ อ, อ, นองโลกของเนตัวนี้มล้องโลกของ้าโลกเป็นงไงัมั า, าโลกหนทางความบ้าความหลงหลงกันหลงในส่วนเพิมนิ น, นึ่ส่วนที่จำเป็นนิดห่ง ม, มันด้สร้างสิ่งที่ไม่จำเป็นขึ้นมาจนกลายเป็นของเกิชินติกนี่นราก็พาโลกไปมัไม่นไปทันรู้มีนั่นมีนี่มีมีที่มันสร้างขึ้นมาใหม่แปลกๆนี่ซื้อนขายของเก่าซื้อของใหม่ ที่แท้มันยังไม่ถึงกับแต่ต้องซื้อสถาวิชาต้นหานี่มาเขาแล้วมันต้องซื้อมันเป็นุ่มๆรวาวตามันไม่ทมต้องมีจักรยานเดมันต้องมีนได้เลยไม่สะสมมาซื้อทำได้แต่คนแปลกหล่านี้มันไม่มีตู้เย็นวมันก็ต้องมีตู้เย็นเป็นได้เลยนวันหน้าไม่ได้ใช้เย็นแล้วก็กินไม่ได้อล้ทำมาเหมือนกันหลแต่เขามินยิเ็นหลายวันมาไม่ได้ซื้อหาตู้เย็นไม่ได้ขอร้องใครเอาตู้เย็นมาให้แต่ตู้เย็นบ้าที่ไนก็ไม่รู้มันมาไม่มีได นี่ใวัามันมันจำเป็นนะมันประค่าวันนั้นยังมน้ำแขงแ่เไม่ดนเอาิดกันดูทั้งโลกวันหนึ่งเสียค่าน้ำแข็งมีค่าตู้เย็นแต่ตาไมกี่มากน้อยะถ้าน้ำแข็งอย่างเดียวทั้งโลกเนี่ยทั้งโลกเนี่ยไม่มีบบเราแต่กินไม่รู้ ก, แ, ก, กแสนแสนสนลาน ล, านล้านล้านบาทคันแทั้งโลกใ น, นวันเดียวแต่โลกมันก็ไม่เย็นโลกไม่าเย็นสมคนป่าไม่นุ่งผ้าไม่มีน้ำแข็งไม่รู้จักน้แข็งเลยมันยังเย็นกว่าโลกจะมีคนป่ามันเย็นกว่าโลกเพรสมัยที่คนรู้จักน้ำแข็งกินเนี่ยในวัน เล่าเบียร์อะรหลายนี่มันจะกินมากเล่านียคนปลาไม่รู้จยากกินห้มาลมนพมันไม่มีไม่รู้จักมันไม่มีารอยู่ได้แล้มต้องกินหน้ามาตลมันกินหน้าหมาลมันไม่มีอะไรดีกว่าคนปลาการเปลี่ยนแปลงมากกวคนปลาจนเดือดร้อนลำบาดุริยางมากกับคนปลาเพราะการเปลี่ยนปมันจะเริ่นก้าหน้าทสิ่งที่ลึกลึกลึกนี่ย่ยากที่สุดลำบากที่สุดที่จะรู้จักมัน่จะกาจัดมันที่จะทำลายมันมันยิงงอกงามขึ้นมาเรื่อยงอกงามขึ้น มนุษมีความเจริญมากขึ้นเท่าไรความเพ็นแกตัวมันจะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นไปดูเองเจริญทางวัตถูเท่ไรมันจะเพิ่มความเพีนแก่ตัวในทางวัตถกหลังนั้นเจริญในทางเรื่องกินมันก็เพิ่มเรื่องกินเจริญในทางเรื่องเล่นก็เพิ่มเรื่องเล่นนั่นแต่สิ่งที่ไม่จําเป็นมันออกมาเป็นสิ่งที่จําเป็นยสิ่งที่เป็นสวยงามโดยไม่จําเป็นมันต้องมีขึ้นมาในวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ที่นี่นะมีคนแต่งกายคลากับคนบ้านร้ายสิบคนที่เข้ามาในวัดนี้กม็างเกงอย่่างนนีี้มันเเเเปป็็นนคคววาามมจจรริญิญ เสื้อสายมันทำร้าก็ไม่รู้ไม่รู้รายกวามหมายเลมันไม่ทำคำมันก็ทำยิงเจริญมันก็ยิงยิงบ้านิงเจริญหรือยิงว่ายิงว่าก็ยิงเห็นแก่ตัวนี่สัท้ารำวันมาดูมันเชือกให้ก็ไม่รู้สีอะไไม่รู้จะลายรก็ไมู่นี่เสีเรื้องลายต่งทำเรองาทำเป็นพิเศษเรื่อส่วนนั้นนนี่ควาเจริญควเจริญยิงเจริญยิงมีปัญหายิงเห็นแก่ตัวยิงเป็นบ้าเนอาหารการกินก็ดีเรื่องลุงผมก็ดีการใช้ไม้สอย ความเห็นก่ตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะความเจริญนิพพุติเป็นมาเสร็ทีก็ไปจองการเงินร้อล้านเปล้าน่ล้านแสนล้านล้านๆไปจองการคุณโงกจนมันมีปัญญาไม่หรอมีมาต่ล้านเดียวแต่นนจิตใจมันอยากมีอยูแล้วใจิตใจก็อยากมีแข่งกันมาเส็จทีลมันเป็นมนุษย์มันก็อยากแข่งกันเทวดามันอยากกินแข่งกัเทวดาอยากแต่งตัวแข่งกันเทวดาัอยากมีอะไรแข่งกันเทวดาอย่างนี้ทำไมไม่มองกันบ้างมนเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวทุกคนเห็นแก่ตัวเอามาบวกรวมกันแล้วครอบครอบ ตางฝ่ายต่างขึ LINKE, ้แก่ต anyway. ัวก็ยื้ยินกันฝ่ายยื้อเยินกันทลายหมดเลยไอธรรมชาติเขสร้างน้องดีๆปาน้อก็ดีเฮ่ยน้องรองบึงบางก็ดีอะไรตัวดีๆธรรมชาติสร้างอะไรอย่างดีทะเลก็ดีอะไทลาหมดเลยไอทำลายหมดทำลายยิ่งไปทำลายยิ่ไปทำลายโลกนี้มาขึ้นมาขึนจะอยู่กันไม่ได้นะฝรังต้องไปหาสารนวัตแ้ทลายปานี่โลกปาหมดลงไปโลกจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นเพราะนันเพราะว่าสิ่งที่จะมันกันความร้อนจะดวงอาทิตย์น้ำร้อนลงไปก้วอานึงีมันนในว เรการทำลายทำลายสิงที่เป็นคุ้มครองทำลายเกินคุ้มครองแต่เนีุ้กคนคงจะคี่กูตายก่อนกไม่เว็นอะไรเลยในนไทยม่ใช่เร่อเป็นปัญหาสำหรแต่พี่เนลูกเนลูกเป็น้านแล้วคจะกกันว่าไอ้ลูกร้านมันจะมีแผนทอยู่มันทำลายทำมบทำลายสิ่งที่เป็นความถูกต้องของธรรมชาติเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวจะทำลายมนุษย์แต่มนุษย์ก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมันชอบคนนี้มนุษย์ไม่ตมองเห็นว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวจะทำลายมนุษย์มนุษย์ก็ แต่ควาจริงนี่ย่เห็นแก่ตัวทำอะไรยิ่งมีความวินาศเท่านั้นแหะแต่ลำบากงยากเป็นทุกขมากึน่งนั้นเพราะเ็นแก่ตัวกาแก่ตัวทำให้เกิดคามหมายเป็นสองฝ่ายคือเป็นบวกแลืเป็นลบฝ่ายหนึ่งดีอร่อยสวยงามของการเอาเอาใจมีใจจะจะจเอจางจะรู้รูจะตัด้เป็นฝ่ายบวกฝ่ายนึงเข้าเป็นฝ่ายลบมันจะฆ่ามันจะร้ายนัเลยตเป็นบวกแต่เป็นลบมันไม่มีความสงบมันจะร้องไห้วเระสลับกันไปมันไม่มีความหยุดความเย็นความปกติ มนเกิดสออย่างดีใจเสียใจดีใจเสียดีใจเสียใจสลับสับ้อนกันไปทามพักผ่อนไม่ได้ดีใจก็ตื่นเต้นไปทาแบบดีใจกินข้าวไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับเสียใจก็้าไปตามความเสียใจกินข้าวไม่อร่อยแล้วก็นอนไม่หลับน่แหละชเป็นดูดีไม่ว่าดีใจดีใจน่แหละมันกิถูกกระแสแรงัน่รมันไม่หลับกอนั้นวดีใจก็กระตุกกระตุกตื่นเตนความเสียใจก็มีพันไปตื่นเต้นไม่เกาพักผ่อนนั่นมันเป็นผลจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันออกมาในรูปอย่างนี้ ถ้าราไม่เห็นก่ตัวก็ไมมีกิเลสไม่มีความเป็นบวกไม่มีความเป็นลบมันไม่มีกิเลสมันมีแต่ความสงบสุขเยือกย็นคงที่แต่ก็ม่มีการชอบหรือไม่รู้จักชอบไม่อยากจะชอบเพราะมันไม่สนุกเพราะนิสัยโดยสัญชาตญาณมันต้องการการกระตุ้นมันมีอะไรมากระตุ้นไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้สงบแล้มันชอบมันจึงไปแสวงหาสิ่งกระตุ้นวายมุกทั้งหลานเป็นเรื่องกระตุ้นจะต้องเล่นกีฬาจะต้องทาอะไรเป็นการกระตุ้นกระตุ้นน่เพื่อสุขภาพอนามัยหรอกมันเป็นเรื่องกระตุ้นโดยอำนาจของกิเลสทันหานั่น ควางเห็นแก่ตัวกำลังครองโลกโลกยิงเจริญจะยิงเห็นแก่ตัวโลกสร้างสร้างสิ่งกระตุ้นสิ่งที่กระตุ้น้เห็นกก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สร้างโดยเครื่อจักเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่มันมีอยูในโลกมันสร้างสิ่งที่จเชื่อมทองลุกขึ้นเลยมันเริ่บากลยากมากก็เพรมันเไปอยากไบูชาอุตสาหกรรมมาก่อนจะสร้างปัญหาถ้าสร้างทางเจริญทางวัตถุแล้วยุ่งยากลบาไม่มีอุตสาหกรรมที่ยังดีกว่าเป็นคป่าไมุ่งผาเี่มีความสงบมากกว่าที่มันจะเจริญลุงเร มาละสรุปความว่าระวังระวังคาเป็นแก่ตัวระวังควาเป็นแกตัวควานแก่ตัวกำลังชนะกำลังครองโลกกำลังชนะมันนึกกำลรองโลกความเห็นแกตัวมันกาลังท้าทายศาสนาทุศาสนาในโลกความเป็นแกตัวมันท้าทายศาสนาไมกล้าีมึมาปากพูดีปากูเป็นตรงๆศาสนาไหนหน้าไหนมาปากพูดทีวมาปากควาเห็นแกตัวเลว้ยังมีศาสนานที่จะกั้นตัดคําเป็นแก่ตัวไม่ลบเว้นม้แต่พุทธศาสนาเราพุทธศาสนาเราไมเห็นแก่ตัวงุมาไม่้เหนบรรลานไม่ได้เพราะความเ็นแก่ตัวสมาธิ สูงสุดถึงอรูปฌานแล้วมันเป็นเห็นแกตัวเป็นโแงแกหรือไงหรือพื่ออกไปเป็นพระอริยธรรมอีกได้นั่เพราะความเป็นแต่ตัวขอใดที่มันจะต้องพูดได้อย่างนีว่าทาทาพระจาทาทาพระธรรมท่าทาพระสงฆ์ทให้กตรไหนผมพูดประธรรมประสงของพวกเราไม่มีแล้วไม่มีพประธรรประสงนี่เป็นพุทธบิษัทนตากนี่ไม่มีเราพะธรรประสงที่เลยทำเกทาทางทาทางพูดธบริษตททาทายพูศาสนาท่าทาพดททาว่าทาประธรประสงของพุทธริษัตาปากหน่งเิดปดไหม้าัน ถ้ารู้สึกกนาะรกินการนี้คงนี่คืนนี no больше, okay? ้คงไม่นอยไม่ต้องนอนเรียกวบอันตรายเหล่านี้มันพูดอันฉลามไได้เพื่อหาทางทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งมันกลังทาพาศาสนาทุกศาสนาในโลกนี่จดจำคำนี้ไปด้วยความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในโลกท่องมารวมกันกาลังพ้าทายสิ่งที่เรียกศาสนาคือสิ่งที่มนุษย์เสร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวแล้วนี่ความเห็นแก่ตัวเป็นฝ่ายชนะท้าทายความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาแล้วมันลากคอศาสนาบางศาสนาไปเห็นแก่ตัวเสียด้วยเนี่ยมันจ็ปวดข้อนี้ศาสนาเห็น เาทำห็นกิดตัวกลังชนะในขนานี้นี่เราทให้เกิดตัวกาลังท่าทายทาตาสนานมามามาเรีบะพูดนี่เอสิีพอเราประชดนี่ไม่รู้จับไม่รู้จับเกไม่รู้จัร่ายมันบ้างเมันต้องเล่นกิตัวมันทาายศาสนาทาายโลกทาายมันเก็อมมนู่นแต่เป็นผ้าทํวาเนเกิดตัวมดทํานไม่รู้จับอ้รู้จัตถ้าทําไม่เข้าใจเ่นก็ปพิามาพูด่งบ้าน้ําลายมาพูดอย่างบ้าน้้าลายถ้าท่านไม่เข้าใจคำพิกษนี้ แต่ถ้าท่านเขาใจก็เป็นอย่างชั่วนอนเป็นความกินมันมีอยู่อย่างเล่นลับอย่างซ้นเล่นอยู่ในส่วนเลือดของจิตใจรก็จะเลือกมองกันในแง่ไหนเชื่อในทางไหนก็เป็นอิสระเสรีาเป็นประชาธิปไตยเลือกเอาได้ที่เอาได้ตามตัวตามทาแล้วำไมมองเห็นรวมกันว่าโอ๊ไม่ว่าอะยโลกจะวินาามเป็นอะรมารวมมือกันพื้นฐูการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติศาสนาความเห็นแก่ตัวของใครคนนั้นก็ทาลายมันเสียความเห็นแก่ตัวของใครคนนั้นก็ทำลายมันเสียแต่คนละคนช่วยจำลายความเห็นแก่ตัวของตนคนตนโลกนี่มันก็จะเบาบางลงจาก ทีมกครองโลกครองโลกแล้วมันก็สงบเย็นสงบเย็นเป็นนิพพานเป็นนิพุติประจําอยู่ในโลกนิพพานประจําอยู่ในโลกนิพุตินิพุติความสงบเย็นเขาหวังความสงบเย็นนิพุตินิพุติคือฟเลญเไม่ลุกขึ้นมาแล้วก็มีกันเป็นความสงบเย็นไอศาสนาศรอารยธมทหรือโลกพรีอารมไทก็ได้แล้วแต่จะเช่าเรแต่คัเป็นความสงบเย็นเป็นความสงบเย็นไม่มีปัญหาไม่มีความร้อนไม่มีความคุกขึดนามกไปนี่คุ้มข้ามาทันมาไกลมาใยการที่ไกลมาเรายินไฟังเอย่างนี้ หวป่าบางก็ริ่มานออาว่าทำให้คนอื่นเสียลาแ้ต่ทำเป็นความจริงช่วยมันมนดีขึ้นได้บ้างก็เราคงจะไม่เป็นไคงจะไม่เป็นไร้เราก็คงจะได้พูดกันอีกหลายหนอวประบางมกไปสนนกโรธจะได้พูดกันอีกหลายหนเร่การจัดความเห็นแก่ตัวในโลกนี้นีมาพูดจะไม่มีแรงพูดแล้วันก็พูดีว่านี้มันไมีมแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีสรุปความปศาโลกมันหมดความสงบสุขเพราะความเห็นแก่ตัวมันครองโลกความเห็นแก่ตัวม ม formas, ัน้าทายบุคคลทุกคนใจเขาเขาไม่รู้สึกกับเป็นภาพทํความเห็นแก่ตัว่มสมความเห็นแก่ตัวทำทานว่เห็นแก่ตัวรัสิ่งว่าเห็นแก่ตัวสมมความเห็นแก่ตัวมาิปัาอสมมความเห็นแก่ตัวมันการได้เปรียนฝ่ายข้าฝ่ายพระยามนุษเอาละก็คิดกันใหม่ทั้งคนกันใหม่ดิ้นวุ่นวนี้ทาลายความเห็นแก่ตัวให้ได้เปลียนความายธรรมะม่มีความสงกสุขในักษณะของธรรมะมีความถูกต้องสาหรับจะสงบตัวขอรําความปรารถนาว่าให้ทำทั้งหลายทุกคนทุกคนทุกคน มองเห็นความจริงข้อนี้เขา้าใจความจริงของ้อนี้รู้แจ้งในความจริงของ้อนี้ยิง่งยิ่งขึ้นไปแล้วทำลายความเห็นแกต่ตนเห็นแก่ตัวของตนของตนให้บรรเทาว า, างลงไปก็จะสิ้นสุดลมสักนหนึ่งเป็นแน่นอนเขให้ความปรารถนานี้เป็นความจริงขึ้นมาเถิดมนันดูเราก็จะมนปัญหาการบรรยายของคุณแก่เวลาเราเดือร้อแล้วต้องข อ, อยุติการบรรยายโดยไม่ต้องพูดว่าวันตมีด้วยประการเนนี้เพราะว่าเราไม่ได้เทศเราพูดกันตามธรรมดาขอยุติการบรรยาย